ทัานทำอย่างอาณาปานาสติปาทังภนาามะเสงอาณาปานาสติพิกเวภาวิตาปหุริกตาดูปอนปิสุทั้งหลายอาณาปานาสติอนมุคลจะเริญนทำให้มากแล้วม า, มา มหานิสังสาย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงใหญ่อาณาปานาสติวิกเวปาวิตาภุลิกทาดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาณาปานาสติอันบุคคลจเจริญทำให้มากแล้ว จะาโรสติปัฏฐานปริพุริเณติย่อมทำสติปทานตั้งตีให้บริบูรณ์จะตาโรสติปัานาภาวิตาภูริกตาสติปทานทั้งตีอันบุคคลจเริ่นทำให้มากแล้วโอจังเกปริพุริเณติ ยอมทำาโ้ชงตั้งเจตให้บริบูรณ์สาตาโพจังกาพาวิตาพาหุลิกาตาโู้ชงตั้งเจตอันบุคคลจเจริญนทำให้มากแล้ววิจาวิมุติงปริภูเรนติยอมทำวิจาแริมุติให้บริบูรณ์ กาธทังภาวิตาจพิขเวอาณาปานสติกาธทังภาวุีกตาดูก่อนพิสุทั้งหลายก็อาณาปานสติอันผุ้คนจะเริ่นทำให้มากแล้วอย่างไรเล่ามหาปราโหติมหานิสังสาร ยังมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่เอตาพิกเวพิกูดูก่อนพิสูทั้งหลายปิสูตในธรรมวินัยนี้หารัญญะโตตวาไปแล้วดูป่าก็ตามดูคาโุลากโตวาไปแล้วุูฝนไม้ก็ตาม สุญญาการักตะวางไปแล้วสู่เรือนว่างก็ตามนิสิตาติปันกลางน า, งางพุจิตตวานนงผููขาเข้ามาโดยรอบแล้วผูจุงกายยังปฏิทายายไปมุขังสติอุปัเจตวังสร้างกายตรงดำรงสติมัน่น โสจตวะสัตติจตว์ปัจสัตติทีุนั่นเป็นผู้มีสติอยู่นั่นเดียวหายใจออกมีสติอยู่หายใจเข้าที่คำว่าอัสจัสโตที่คำอัจจสัมมิติปัจจานาติ พิส so ูนานเมื่อหายใจออกยาวก็รู้สึกตัวทั่วถึงว่าเราหายใจออกยาวดังนี้ทีกลางว่าปัสสะสันโตที่กลางปัสสะมีทิพปาจานาติเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้สึกตัวทั่วถึงว่าเราหายใจเข้ายาว ดังนี้ราชังวาอา ส, สัสนตราชังอสสาศัสมาติปจานาติพิสูนั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้สึกตัวตั้วถึงว่าเราหายใจออกสั้นนางนี้ราชังวาปัสัสนตราชังปาสาัสสัสมาติปจจานาติ เมื่อหายใจเข้าสัน้นก็รู้สึกตัวทั่วถึงว่าเราหายใจเข้าสัน้นดังนี้สาภากายปฏิสังเวทีอศาสจติสซามิติสิกาติที่สุนันยอมทำในกทศึกษาว่าเราเป็นผู้รูร้ร้อมจะพอซึ่งกายทั้งปวงอยากหายใจออก ดังนี้ตาปก า, ายาปิติสังเวทิปัสสิาตามิติสิกขิตยอมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รูร้พร้อมจะพลซึ่งกายทั้งปวงอยากหายใจเข้าดังนี้ปะสัมปยังกายสัมคารางังอา ส, สัสิตามิติสิกขิต นิสูนันย่อมทําในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทํากายสังขารในละงับอยู่จากหายใจออก ด, ดังนี้กายสัมปยังกายสังขารรังปัสสิตาเมติสิกาติย่อมทําในบทศึกษาว่ า, าวเราเป็นผู้ทํากายสังขารในระ ง, งับอยู่ จากหายใจเข้าดังนี้วีติปฏิสังเวติอัสสิตสานิติสิกติที่สุนันยอมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รูปพร้อมจะพ้อซึ่งปีติจากหายใจออกดังนี้วีติปฏิสังเวติปัสสิตสานิติสิกติ ยอมทำในบทศึกษาวา่าเราเป็นผู้รู้พร้อมจะพอซึ่งปีติจากหายใจเข้าดังนี้สุขาปฏิสังเวทีอัศติสามีติสิกะเตภีตูนั้นยอมทำในบทศึกษาวา่าเราเป็นผู้รู้พร้อมจะพอซึ่งสุขจากหายใจออก ดังนี้ตุคาปฏิสังเวทีปัสสิสามิติสิกติยอมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รูร้พร้อมจะพอซึ่งสุขจากหายใจเขา้ดาดังนี้เอ็นตาสังขาราปฏิสังเวทีหัสสิสามิติสิกติ พิสุนานย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมจะพาอซึ่งกิตตสังขารจากหายใจออกดังนี้เ <Yes. S 1> ยตาสังคาราปฏิสังเวทิปัสสิสามีติสิกาตินยอมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมจะพาะซึ่งกิตตสังขาร จากหายใจเข้าดังนี้ปัสัมภยังจิตตะัำคารังอาสิสสามีติสิกาติเฟสุนานยอมทำในบทศึกษาวา่าเราเป็นผู้ทำจิตตะสังคารให้ระหักอยู่จากหายใจออกดังนี้ ปะสัมปยางจิตตสัมคลายาตสิสามีติสิกติยอมทำในาบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตตสัมคลา ย, ยจ า, า, ยจาตะะสิต ส, สามีติสิกติที่สุนานยอมทำในาบทศึกษาว่า เราเป็นผู้รู้พร้อมจะพอซึ่งจิตจากหายใจออกดังนี้เจตปาฏาิสังเวทิปัสสิตสามีติสิกิติยอมทำในบทศึกษาวา่าเราเป็นผู้รู้พร้อมจะพอซึ่งจิตจากหายใจเขา้าดังนี้ อาภิปัโมทยังกิตตังปัสสิตสมาติสิกขาติพิสูนันยอมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทยิ่งอยู่กระหายใจออกดังนี้อาภ<า>ิปัโมทยังกิตตังปัสสิตสมาติสิกขาติยอมทำในบทศึกษาว่า เราเป็นผู้ทำจิตให้ประโมทยิ่งอยู่จากหายใจเขา้าดังนี้สมาทังจิตตังอจติสามมิติสิกติที่สุนันยอมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่จากหายใจออกดังนี้ สามัญจิตตังปัสสิตสัมมิติสิกาติย่อมทําในบทศึกษาวา่าเราเป็นผู้ทําจิตให้ตั้งมั่นอยู่จากหายใจเข้าดังนี้วิมโมยจะยังจิตังปัสสิตสามมิติสิกาติที่สูกนั้นยอมทําในบทศึกษาวา่า เราเป็นผู้ทำจิตให้ปรอยอยู่จากหายใจออกดังนี้วิโมยจะยังจิตตังปัสติสามิติสิกติยอมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปรอยอยู่จากหายใจเข้าดังนี้ อนิจจานุปัสสิปัสสิสสามิติสิกขิติสุนันยอมธรรมในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยูย่เป็นประจำจากนาากั้ใจออกดังนี้อนิจจานุปัสาสิปัสสิสสามิติสิกขิติยมธรรมในบทศึกษาว่า เราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำจากหายใจเข้าดังนี้เวลากาุปเสธอสสิตสามิติสิกติพิสุนานยอมทำในบทศึกษาวาเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความจางคายอยู่เป็นประจำจากหายใจออกดังนี้ กาอนุปัชชิปัสสิตสมาธิติขติยอมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความจางกายอยู่เป็นประ จ, จำอยา ก, กหายใจเข้าดังนี้นิโรธาอนุปัชชิอัตต ส, สิตสมาธิติขติเพียสุนานย่อมทำในบทศึกษาว่า เราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำอยากหายใจออกดังนี้นิโรธาโนปสิปัสสิสามิติสิกเตยยอมตามในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำจยากหายใจเข้าดังนี้ ปัตินิสขานุปัสสิอัสสิสัมมิติสิกาติทีกสูนันยอมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำจากหายใจออกดังนี้ปัตินิสขานุปัสสิปัสสิสมัมมติสิกาติยอมทำในบทศึกษาว่า เราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำจากหายใจเข้าดังนี้เอวังภาวิตาโคปิกเวอาณาปานสติเอวังภาอุลิกตาดุขพริสถุทั้งหลายอาณาปานสติอันบุคคล เ, ลเรริญแล้วทำให้มากแล้ว อย่างนี้แลมมาภาลาโอติมหานิสังสาย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงใหญ่ิีทีด้วยประการา น, นี้แล